นะวันนี้ก็วันเด็กแห่งชาตินะหลายคนก็คมมีลูกเด็กก็คมต้องการรูกไปเป็นงานเด็กเนาะเฉลยพบเราก็สู้โตแล้วใช่ไหมเป็นไม่ต้องการลูกไปถูกคนไม่มีก็ไม่ต้องพาไปแต่ที่จริง วันเด็กเนี่ยก็ดีนะวันนี้ก็อยากให้เราปฏิบัติธรรมแบบเด็กๆนะคําว่าปฏิบัติธรรมแบบเด็กๆนี่ไม่ใช่ว่าทําแบบเล่นๆแบบเหมือนเด็กที่เขาวิ่งเล่นสนุกสนานะแบบเล่นนั่นเล่นลนี่ไปนะแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมแบบให้จิตใจของเราแบบใส่ซื่อมันกับเด็กอะ่ะมันจะง่าย บางทีพอเราอยู่บนโลกนานๆนะมันจะมีเราจะดืมความเป็นเด็กลืมความใสความซื่อความบริสุทธินะ์เราจะเป็นผู้ใหญ่เราจะเป็นอาจารย์เราจะเป็นคนเรียนหนังสือเยอะเราจะเป็นคนมีประสบการณ์ทางโลกเยอะแล้วเราก็จะมีชุดความรู้ชุดความคิดชุดเหตุชุดผลในสมองของเราเยอะ พอเจอกับเหตุการณ์ในต่างๆเนี่ยมันจะดึงประสบการณ์ต่างๆมาตัดสินผูกคิดดึงความคิดมาเอาเหตุเอาผลากับเรื่องราวต่างๆเยอะมากอันนี้มันก็เป็นความยากของของผู้ใหญ่นะที่ปฏิบัติทำแต่ถ้าเราวาง ความคิดความความรู้ความประสบการณ์ต่างๆนะทำตัวเหมือนกับเด็กใสๆชื่อๆดูตรงๆไปเนี่ยจะปฏิบัติทําได้ง่ายนะหลวงพ่อเขียนก็ท่านก็เคยพูดนะเคยฟังในในซีดีของพ่าเดียนก็พูดถึงเด็กๆเน่ะปฏิบัติทําง่ายแต่าผู้ใหญ่เพราะวางทีผู้ใหญ่เราเราใช้ความคิดเยอะ วิธีกปฏิบัติของหวงพอเทียนเนี่ยมันค่อนข้างซื่อไม่ต้องใช้ความคิดเยอะครูบาอาจารย์ในต่ายหวงพอเทียนหลายๆผู้ไม่ได้เรียนในสื่อเนะช่นหลวงพอเทียนเองไม่ได้เรียนจบไม่จบกระทํางปีหนึ่งเลยซ้ำคือไม่เรียนในสื่อหลวง พ, อจจพอนะ่อคุณเขียนจบแค่ปีสี่คือครูบาอาจารย์ท่านก็ก็อยู่ในชนบทเนาะก็ใช้ชีวิตแบบคน ด้านนอกนะก็เส่ที่พื้นเวลาปฏิบัติก็ก็ได้ผลเร็วแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเมืองเราเรียนมาสู่เราจะปฏิบัติไม่ได้นะพวกเราก็ปฏิบัติได้แต่ขณะที่ปฏิบัติอยากให้เราบางทุกความรู้วางทฤษฎีต่างๆนะที่เคยเรียนรู้มาะคือแม้แต่หลายคนอาจจะเคย เรียนมาเรียนวิธีปฏิบัติทํามมาในหลายรูปแบบนะก็ระอยากให้วางไว้ก่อนเปิดใจไว้ก่อนนะให้เรามาเรียนรู้ความเรียบง่ายของการปฏิบัติเมาว่าการปฏิบัติธรรมจริงๆมันมันง่ายจนกระทั่งเราเรามองข้ามนะหรือบางีง่ายจนกรทั่งเราเราคิดมากเกนไปว่ามันต้องมี ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องอะไรติดตามมากมายนะแต่ถ้าเราลองทํำง่ายๆรู้ซื่อๆรู้โดยแบบบริสุทไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเนี่มันจะง่ายมากคาว่ารู้ซื่อๆรู้ด้วยความบริสุทธิ์รืออะไรก็คือรู้กายรู้ใจของเราเนี่แหละอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ก็ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายใจน่ะ เขาแสดงอะไรเราก็ด er like. ูนี่คือเรืนี้นะแต่ถ้าบางทีเราใช้ความคิดมากนะบางทีเช่นเมดเกิดเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นมาบางทีเราแต่บางทีเราไปคิดหาเหตุผลนะเฮ้ทําไมเราถึงสุดทาไมเราถึงทุกข์ทำไมเราถึงนอนไม่หลับทำยังไงถึงจะนอนหลับเลยนะทุกวันน่ะบางทีมัน มั น, นมีคำ ว, ว่าทําไมมากจนกระทั่งสมองเราก็ไม่ว่างสมองเราคิดมากอันมามีหนังสือเล่มหนึ่งนะมีเล่มเดียวอชื่อว่ารู้สึกตัวนะไม่มีทําไมแต่ใกล้จะหมดแล้วหละเพราะกินมันน้อยรู้สึกตัวไม่มีทําไมนะมีโยมคนหนึ่งก็รู้จักกันนานๆแนะ ปฏิบัติธรรมเขาก็ได้อ่านหนังสือเขาบอกตอนแรกก็ไม่ไม่สะดุดเลยในชื่อหนังสือในเนื้อหาก็อ่านไปน mi. ั่นแหละแต่พอปฏิบัติธรรมในสักดัก์เขาเข้าค่อยๆใจว่าเออที่จริงอันนี้มันมันใช่เลยเมื่อรู้สึกตัวจริงๆแล้วมันไม่มีทําไมถ้ายังมีทําไมอะไรอยู่เนี่ยมัน มันยังไม่ใช่รู้สึกตัวจริงๆะเช่นสมมติเขาด่าเราเนี่ยทีเราทำไมก็ต้องด่าเราเนี่ยะเยมันมันยังมีทำไมนะหาเหตุอาคมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเรารู้สึกเกตัวจริงเนี่ยมันไม่มีทํำไมอ่ะมันแค่รู้เฉยๆนะเช่นมีคนมาว่าเราเฉยเราก็รู้ ว่าเฉยเราไม่เฉยเราปรุงแต่งไม่พอใจเราก็แค่รู้ว่ามันไม่พอใจหรือเราก็ตัดใจหรือด่าไปติดเราไม่โกรธนะ่ก็รู้ตัวเองว่าเป็นแบบนั้นนี่คือรู้เฉยๆนะมันจะไม่มีคำว่าทำไมแต่ใหม่ๆมันก็ทำไมเยอะนะอย่างตัวเองนะแต่เราปฏิบัติถ้ใหม่ๆนี่ก็ก็จะมีความสงสัย เยอเหมือนกั น, นก็จะเข้าใจคนที่ปฏิบัติทำใหม่ๆที่ที่ก็เต็มหรือความสงสัยโดยเฉพาะวิธีการปฏิบัติแบบหลงอทีกันนะมันไม่เหมือนวิธีการอื่นในประเทศไทยนะที่เขาเรียนกันว่ามีวิธีปฏิบัติจักรพลรดอยู่ห้าสายนะเคยไดนะสายพุทโธสายอานาปานสติ สายองยุกตายสัมมาอรหันและก็สายเจริญติจากเดลกเพียนเนี่ยอันนี้เล็กที่สุดเลยนะอีกตีสายเนี่มเขใหญ่มาก่อมาสายที่ตีนะ่ยตายที่หาวิธีปฏิบัติกเจริติแเดเียนตีสายสายอื่นๆส่วนใหญ่ก็นั่งหลับตานั่งนิ่งหรือเดินก็เดินช้าๆกาหนด มีสมด์มีริธีกรรมลายตายนะแต่บางตายก็ไม่มีสมด์ตายหลวก็เทียนนี่ไม่เหมือนเขาเลยคือนั่งลืมตาไม่นั่งนิ่นงๆ น, นะนั่งยกมือด้วยเดินก็ไม่ต้องเดินช้าๆเดินธรรมดานะทงแตกต่างมาซึ่งอย่ากจะมาเองก็เคยปฏิบัติแต่พุทโธมาแบบอแบบนาปานสติมา เราก็คิดว่าวิธีตรงนั้นครูบาอาจารย์ก็ทำมาเยอะก็มันเป็นมาตรฐานนะที่คนคนเดียวเขาปฏิบัติแบบนั้นพะอมาเจอวิธีแบบนี้มันก็มีความความคิดสงสัยว่ามันใช่หรือเปล่าปฏิบัติแล้วมันสามารถเดินจะถึงที่สุดได้จริงหรือเปล่านะเราก็จะสงสัยนะแต่ีจริงถ้าเราดูใน เข้าใจดีดกนะพระพระุทธเจ้าท่านก็ ต, ต, ตัดไว้นะพนะิสูจน์ต้องหายจนจะมีความรู้สึกตัวในขณะที่คููแขนเข้าเหียดแขนออกนะมีนะออนะรู้สึกตัวคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกมีสติในการเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เดินเป็นจังหวะย่างไงอย่างนี้นะไม่ได้พูดทนะ่านแก่บอกว่า เดินไปข้างหน้านก็รู้สึกตัวเดินข่อยหลังก็รู้สึกตัว<ม>หรือท่านก็บอกแค่ว่าขณ ะ, ะที่กินลื่วิ่งรถต่างๆเนี่ยก็ให้รู้สึกตัวมมไม่ได้บอกให้เป็นกำหนดอะไรมากมแต่ทําอะไรก็ให้รู้สึกตัวคําว่ารู้สึกตัวเนี่ยอาจจะฟังชัดกว่าคําว่ามีสติ ก, ก็ได้นะ บางที่เรามีสติมันก็มันก็นกัวงวลนะอาจจะเข้าใจนะแต่มันเหมือนเราพูดถึงอากาศนะ <c oughs> เราเข้าใจคําว่าอากาศแต่เราสมัมผัสอากาศแบบจริงๆมันก็วมโอนะคาว่าสติก็เหมือนกันนะ <c oughs> หลายคนก็คิดว่าเรามีสติ <c oughs> แต่จริงๆถ้าปฏิบัติจริงๆนะจะเห็นว่าเราขาดสติเยอะมาก ก็คือเราไม่รู้สึกตัวในเยอะมากคําว่าขาดสติในตายของการปฏิบัติคือเราไปอยู่ในโลกของความคิดหรือเราไปอยู่ในจรกับอารมณ์หรือเราดึง ก, กายดึงใจของเราเอ ง, ไงไนี่แหละนี่เรียกว่าขาดสตินะคนทั่วไปจะไม่ค่อยรู้ตัวก็จะยินขาดสติเพราะมันไปแล้วมันไม่เห็นตัวเองเนะี่ยคล้ายค้ เช่นสมมติเราไปเดินที่ห้างนะเราดูนะจะเห็นใจเราเช่นพอเห็นเคสื้อผ้าในสไตล์ที่เราชอบอะใจพอตามองเห็นรูปเนี่ยใจก็ไปละพอใจไปก็พาร่างกายเดินไปดูดูถูกใจก็ใจก็ติดใจในเสื้อผ้าตัวนั้นอมันก็สั่ให้เราซื้อสังเกตไหมเวลาเราไปห้าง ไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้ออะไรนะแต่ขากลับออกมาเนี่ยถือมาสองมือนะเต็มๆหรือบางทีก็ห้างไหนห้างเขาก็รู้ว่าคนคนข้อหงแบบนี้เยอะบริการเลยใช่ไหมมีรถเข็นให้ถือสองมือไม่พอมีรถเข็นให้จะได้ถืออะไรเยอะๆแต่ถ้าจําเป็นจะซื้อก็ต้องซื้อก็อไม่เป็นไรนะนะแต่นี่คือยกตัวอย่างเช่น เวลาเราตากลามองเห็นพวกเนี่ยใจมันจะไหลไปกับสิ่งที่มองเห็นบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ชอบบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ไม่ชอบเวลาหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันเราก็จะไหลไปสังเกตั้นเวลาทั่วคนทั่วไปเช่นนดเราฟังเพลงวบยรุ่นอาจจะฟังเพลงสไตา์นี้ใจก็จะไหลไปฟังเพลงตา์นี้คนสูงอายุหน่อยเถ้ดนะโยมได้ยินเพลงเก่าๆนะ พอได้ยินเพลงพุกบเมี่คิดถึงระอดีเพลงนี้เคยฟังตอนเป็นเป็นสาวๆอยู่ใช่ไหมเพลงนี้เคยร้องที่นั่นที่นี่อ่ะมันจะแวบขึ้นมาเลยอดีตขึ้นมามันจะปุดขึ้นมาเลยอันนี้เรียกว่าเราขาดสติแต่ถามว่าคนขาดสติเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าขาดสติแล้วจะไม่ดี บางครั้งขาดสติไปทำไม่ดีก็มีบางครั้งขาดสติเฉยๆกนะ็แค่ลงไปธรรมดาก็มีนะแต่ให้เรารู้ว่ามนะันน่ะคือเรียกว่าอาการที่จิตมันขาดสติไปจิตไม่รู้ตัวนะเราจะทำยังไงสิ่งที่เราฝึกนะถ้าเรียกว่าเป็นแบบฝึกเรื่องต้นเลยเนานะหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นมาตรฐานก่อนก็ได้นะ คือให้เรากลับมารู้ตัวอยู่ที่ปัจจุบันก่อนมันจะขาดสติไปทางตาหูจมูกลิ้นไตใจในเรื่องอะไรนะไม่ต้องไปสงสัยนะไม่ต้องไปถามว่าทำไมเราถึงหลงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเลยมาตรฐานคือกลับมารู้ตัวก่อนกลับมารู้ตัวเช่นไรเช่นเราเดินในห้างเราถ้าเราหลงไปดูสิ่งของเราไหลไปกับ ไปกับสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้ยินนะให้เรากลับมาดูตัวเองที่เดินนะกลับมาดูร่างกายที่เขาเดินนะหรือถ้าเรานั่งกินข้าวแล้วเราก็หลงไปคิดเรื่องงานคิดกังโลในต่างพอเรารู้ตัวว่าเราหลงไปแล้วให้เรากลับมารู้สึกตัวขณะที่เรากินข้าวตันะกข้าวก็รู้สึกตัวเคี้ยวข้าวรู้สึกตัวอันนี้คืเรียกว่าให้เรากลับมาหา ปัจจุบันที่เรากําลังทําอยู่หรือถ้าเราไม่ได้ทำงานงานอื่นไม่ได้มีกิจงานอื่นหลวงพ่อเทียนก็แ น, นะนําว่าเอี่ยนนั่งนิ่งๆเพราะนั่งนะิ่งๆเนี่ยจิตมันจะเปิดไปคิดได้ง่ายนั่นก็ให้เรานี่ยขยับมือก็ได้ให้รู้สึกตัวไปขยัขยับมือแบบเอยฉันเป็นนักปฏิบัติฉันทําแบบนี้ไม่ใช่นะคือขยับ ให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ได้ทาโชว์ใครแต่ทําให้รู้สึกตัวยกมือสิบสี่จังหวะเนี่ยนะก็เคลื่อนก็รู้สึกหยุดก็รู้สึกสัมนะผัสก็รู้สึกนะคือรูปแบบที่ตัวงพ่อเทียนท่านทานทำนะคือถ้าโดยแบบกิริยานาะมันก็มีมันมีท่าต่างกันทิบสี่ท่างะ เรียก15ภาพว่าไม่สำคัญแต่หลักๆก็คือว่าเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวให้เรารู้สึกตัวหยุดนิ่งให้เรารู้สึกตัวหรือบางครั้งเราก็รู้สึกที่การสัมผัสบางครั้ ง, งมั น, นะาททา ง, นง่วงนะโยมนะปฏิบัติทำนม่ง่วงเราสัมผัสแรงๆปุ๊บเนะีนะ่ยปุกความรู้สึกตัวคล้ายๆหนึ่งคนนอนหลับนะไม่ยอมตืนะ่นเราก็ต้องขยับในหะ้ความรู้สึกตัว อันนี้ก็เหมือนกันเราปลูกปลุกถ้ารู้นปลูกกายที่มันตื่นปลุกใจที่มันตื่นะทำอันนะั้นให้รู้สึกตัวนะ่ะในรูปแบบหลงพ่อเทียนก็จะมีการเนี่ยเคลื่อนไหวรู้สึกยืดหนี้รู้สึกนะแต่มันมีท่าที่ก็เปลี่ยนไปบ้างแต่คือเราฝึกความรู้สึกตัวในท่าในรูปแบบตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันจํา มันจําอาการของกายได้เมื่อเราเคยจะหยับเคยหยุดเคยกระทบแล้วรู้สึกตัวต่อไปเราไปทํากิจอย่างอื่นซึ่งเราก็อาศัยร่างกายเราเคลื่อนไหวนี่แหละจิตมันจําได้มันก็จะรู้สึกตัวเองเราเคยยกมือรู้สึกตัวแบบนี้ต่อไปโยนไปตัการะถางปุกเคลื่อนไหวปุ๊รู้สึกตัววางลงรู้สึกตัวนี่นะทิ้ง ให้จมันจำความรู้สึกตัวในกายได้ต่อไปกายเราไปทําอะไรเราก็จะมีสติคอยตามรู้รู้สิ่งที่มันกำลังจะทําอยู่ในปัจจุบันไปด้วยดังการปฏิบัติธรรมนี่ยที่คุณหมอว่าที่จริงคือเราเน้นเชื่อว่าเราถึกเราจะได้เอาไปนในใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้ได้ด้วยแต่บางทีคนคน คนส่วนใหญ่จะแยกคือช่วงนี้ปฏิบัติแล้วก็ออกจากห้องปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติเป็นคือหลายๆคนจะถ้าจับจังหวไม่ได้อะก็มักจะเป็นแบบนี้ซึ่งเงินมาเองก็เคยเป็นแบบนี้เวเราปฏิบัติบางทีถ้าเราปฏิบัติแบบกำหนดนะช่วงที่กําหนดเราก็จะตั้งใจปฏิบัติแต่พอในชีวิตประจำวันเรา เราไม่ร uh huh. ู้จะทำยังไงเนาะเช่นเมื่อเราเคยเดินแบบเดินแบบช้าเตินโยกมุแบบต้องกําหนดเลยพอวันอยู่ในชี้ก็ปะจําันเราเดินแบบมันไม่ได้เราก็คือว่าเราปฏิบัติไม่ได้หรอกเพราะมันเดินเร็วเกินไปเราเดินเร็วเินไปเราไม่สามารถมีสติได้เพราะว่าครูบาอาจารย์สอนให้เราต้องกาหนดที่และสเต็ปอะไรอนี้หรือเราเคยทำแบบนั่งหลับตาแล้วก็ต้องเงียบเยนิ่งๆ่ง มันถึงจะเห็นลมหายใจชัดๆแต่พอเราต้องทำงานเราต้องพูดคุยมันไม่เห็นหลอกลมหายใจ <c oughs> น้อยมากมันก็เคยคิดว่าเรอปฏิบัติไม่ได้เพราะว่ามันไม่เงียบพอมันไม่สงบพอนะแต่วิธีการเจริญสติเนี่ยนะไม่จาเป็นต้องเงียบก็ได้นะเราอยู่ในชีวิตว่าจมามันเรา บางครั <PTSD> ้งเราเดเร็วเช่นเดินข้างถนนเราก็รู้สึกตัวแบบเร็วๆบางครั้งโยนจ็อกกิ้งวิ่งจ็อกกิ้งหรือโยนปั่จักรยานนะคนรู้สึกตัวไปขณะที่ทานั่นแหละแม้อาจจะมันอาจจะไม่มีจังหวะจุดชัดเหมือนเรายกงูแบบนี้เราก็จะรู้เป็นจังหวะเคลื่อนไปทีราคาทีราคาระดับไปเรื่อยๆนี่ก็ได้นะ รู้เท่าที่มันรู้ได้นะอาจจะไม่ต้องรู้ทุกคําถ้ารู้ทุกคํามันจะแบบมันจะมันจะเครียดอื่นไปก็รู้แบบสบายๆเท่าที่มันรู้ได้นะบางครั้งเราเดินเร็วนะเราก็รู้ตัวเกิดขึ้นได้แต่บางครั้งเราอาจจะเดินช้าเช่นต่อคิวนัต่อคิวนั่นซื้อของอะไรนะอาจจะแค่กระจกไปเรื่อยนี้ เราก็ดูร่างกายที่มันเคลื่อนแบบช้าๆไปก็ได้นะนี่คือเราอาศัยว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายรูปแบบไหนก็ได้ให้เรารู้ตัวนะให้เรารู้ตัวเดินก็รู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัวนอนก็รู้สึกตัวนะนอนแต่นอนพลิกมืองายมือก้างก็ได้หรือตะนอน ถ้าใกล้จะดับก็อาจจะดับตาก็ได้นะดับตานหายใจรู้สึกตัวก็ได้นะยืนยืน่อรถเมย์ยืนรอรถ BTS เราก็ยืนก็พลิกมือก็ได้นะนี่คือทาได้ทุกอย่างเลยเราฝึกในการรู้ตัวอาศัยร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายกระพุ่มในปัจจุบัน ตั้งสติตั้งความสุขตัวทำราอยงนี้บ่อยทำทั้งในรูปแบบทำทั้งนอกรูปแบบถ้าทำแค่ในรูปแบบแล้วนอกรูปแบบไม่ทำเนี่ยก็มันก็เ้าหน้ายากเลยคือมันไม่พัฒนาไม่มันมันจะชา้านะมันจะชา้าแต่ถ้าเราขยันก็คือในรูปแบบนะเราก็ทำ นอกรูปแบบเราก็พยายามรูสุตัวเข้าไปด้วยคือใหม่ใมันเราจะทําอะไรเราเหมือนเราต้องเพิ่มความตั้งใจเพิ่มความใส่ใจนะไม่ถึงเด็กตินะเพราะใหม่ใหม่ทำอะไรก็ยากเป็นรูปแบะทําอะไรมันก็อาจจะยังไม่ชขึ้นนะยมฝึกอะไรก็แล้วแต่นะสังเกตไหมแต่แต่งมันก็บ้าก็ใหม่คือเล่นกีฬาเลยนะจะเล่นกีฬา มันก็ต้องไปเต้นทุกวันหรืออย่างไ้อาทิตย์นึงก็ต้องไปตามตีครางให้มันติดเต้นจนตีฝุดโยคะเลยนะก็ต้องไปซ้องไปทำตรงนั้นไปบ่อยมันจะได้ชิน ม, มันจะได้ติดเราจะได้มีความชอบมีความพ อ, อใจพวกอไปอตรงนั้นปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะถ้าใครคิดว่าวันนี้มาแค่ชิมค้างนึงแล้วคิดว่าเข้าใจแล้วเนี่ยไม่ได้หรอกนะ จะคิดว่ามาแค่วันหนึ่งมาคิดแล้วรู <tr> <choices> ้แล้วคือแบบนี้เนี่ยมากล้าพูดเลยว่ามันไม่รู้หรอหรือถ้าทำรู้จริงก็คือคนเก่งมากจริงนะเพราะว่าเราปฏิบัติเคยส่ตัวเนี่ยเป็นหลายเดือนนะค่อยพอจะจับหลักได้ว่วิธีการเนี้ยมันมันมันคืออะไร เพราะว่าแต่ก่อนมันยังมีทฤษฎีเก่าๆยังมีวิธีการจะปจิบัติเก่าๆซึ่งมันเหมือนมันก็ตีกันเยอ่บ้างแต่ถ้าเรามาลองเรียนรู้ดูนะแล้วก็เราจะเข้าใจโอ้ที่จริงรูปแบบตรงนี้นะมันเป็นเพียงแค่อทบายให้เรารู้สึกตัวพอเราทำไปเรื่อยๆแรกๆตีก็เกิดขึ้นบ่อยตอนที่เราทาในรูปแบบ แต่ต่อไปจริงๆเราจะเห็นผลว่าเออเรามีสติได้บ่อยขึ้นในนอกผู้แปลกนะอย่างอย่างจะมาตอนตอนปฏิบัติใหม่ๆนนเราอยู่วัดมันก็ไม่ได้มีกิจมากเหมือนับโยวแต่กิจที่พระต้องทำบ่อยๆคือขวานานวัดคือแต่ก่อนก็สึกขวานที่มันแบบสะอาดแล้ก็ขวานาวีานา้มันสะอาด กอดบางทีก็กาดไปคิดไปกอดไปก็อาจจะทํำไมเรากวาดคนเดียวก็ยิ่ง้มากวาดก็มีนะแต่ถ้าเรามีสติจริงเราจะเห็นเราก็พิจริงมันก็เป็นจังหวะเคลื่อนไหวเออพอเราจับจังหวะเคลื่อนไหวได้นะไม่กวอดนะภาษาที่กอดไม่กอดตามไม่กวาดยาวนิดเคลื่อนไหวรู้สึกตัวมันต้องเหมือนเหมือนเคลื่อนเนี่นะรู้สึกตัวอ๋อปรจับอะไรอ๋เนี่ยรู้สึกตัว นอกจากได้ลานคัามที่สะอาดเราก็มีสติในการทําตรงนี้ได้อก็สนุกในการกวอดต่อไปก็ใครไม่กอดจะไม่เป็นไรเราก็เรียกว่าก็มีสติโยมก็ลองกอดบ้านนะถ้าใจโนมก็กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวในการกอดบ้านนะนี่คือเราก็เอา สติน th ี่แหละที่เราเป็นไปแค่นชีวของเราครัแค่ชีิตของเราเนี่ยเราก็จะจับตัวนี้ได้พอเราเริ่มเห็นว่าเพราที่จริงการมีสตินี่เราสามารถเอาเข้าไปแทรกในชีวิตในส่วนอื่นได้เนี่ยเราจะพบว่าที่จริงเรามีเวลาปฏิบัติทำทั้งวันเลยทําทั้งวันเลยแต่เราจะขยันหรือเราขี้เกียจในเรื่องของเราล่ะถ้าเราชอบพูดชอบคุยมก็จะดึงตัวไปเนี้ย แต่ก็พยายามควบคุมให้น้อยนะแล้วก็ปฏิบัติให้มากแล้วต่อไปนอกจากเราเห็นรนะ้างกายที่เคลื่อนไหวได้บ่อยสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นแต่ก่อนคิดว่าตัวเองรู้ตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจนะคือจิตใจความคิดแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยว่าความคิดมันหอกเราอืม ความคิดเป็นตัวโครการเราให้เป็นนั่งเป็นนี่ทำนั่งทำนี่สติต่อไปเด็กพัฒนาไปหนักเนี่ยเห็นความคิดเห็นความคิดนะไม่ใช่เห็นว่าเราคิดเราคิดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคนทั่วไปคิดได้แล้วพอเราคิดเนี่ยเราก็เป็นโพสพอเราคิดเราก็เป็นเมนพอเราคิดเราก็ไปพูดอันนี้เราคือเราคิดความคิดของเรา มันคือความคิดของเราแต่ต่อไปถ้าเรามีสติเราจะเห็นเห็นจิตมันคิดไม่ใช่เราคิดจิตมันคิดเรวก็หลวงพ่อจะบอกให้ดูสักทอก็ดูหมือนเฉเฉยนะจิตมันคิดอะไรก็ดูมันมันชอบมันไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ดูมันคือมันเป็นจิตมันคิดคนเดียวเห็นให่จิตมันคิดไม่ใช่เราคิด แต่ถ้าเราคิดเนี่ยมันยจะเฮ้ยทำไมเราคิดทุ่ดีเฮ้ยอันนี้เราคิดดีมันจะเป็นนะคิดดีเราก็อยากจะคิดต่อเออคิดช่วยคนอืคิดบอกคนอืบางทีก็คิดทํามะอยากจะสอนแบบนั้นแบบนี้นะหรือบางทีมันก็คิดไม่ดีนะพอคิดไม่ดีแล้วเออรู้สึกทําไมเราเป็นครับเราคิดไม่ดีทําไมเราหัวแล้วเราคิดแบบนี้นะะทําไมเราคิดถึงเรื่องนั่นแล้วก็เป็นทุกข์อะไรเนี่ย เพราะเราก็เราไม่รู้ทันก็เลยกลายเป็นเราคิดไงบางทีเราก็คิดดีทีเราก็คิดไม่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามนกรณีจริงเราเห็นแล้วจิตมันคิดของมันเองจิตมันคิดแล้วก็ดูเลยนะเห็นจิตมันคิดของมันเองดูไปเรื่อยไม่ไม่ต้องไปตัดสินว่าอันนี้ดีไม่ดีก็แค่รู้สึกว่ามันเออไม่คิดเออไม่คิดเออไมรู้สึกชอบไม่ชอบมันเป็นเรื่องของจิตเลยนะ ในเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราเนะถ้าเราโยนนี้ได้นะต่อไปเนี่ยมันจะสบายเมืม่อวานกะ็โยมาพูดคุยนิดนึงเนี่ยนะเขามีความกั ง, งวลนะมาปฏิบัติธรรมที่สะสมกังว ล, วลนห่วงบ้าก็แนะนำเข้าไปวนะ่าลองดูแบบนี้ก็ได้นะดูเนะี่ยไอ้จิตที่มันกังวลนะอยู่ในจัารวาอะไร อนัตตาคือมันบังคับไม่ได้มันคือไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรามันกังวลก็คือจิตมันกระบวลของมันเองนะเนี่ยดูแบบนี้เลยนะเวลาเราดูอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นดูลงไปนี้ไตรละเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาถนัดดูตัวไหนก็ได้แต่เรียงได้ไมเข้าดูแบบความเป็นอนัตตาหรือเป็นอนิจจังทํามันเนี่ยดู คือไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะคิดมันคิดของมันเองไม่ใช่ตั้งใจว่าเราจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบแต่จริตมันรู้สึกของมันเองก็ดูไปเนาะเนี่ยมันเป็นของมันเก็คืออัตตาถ้าเมื่อใดที่เราเห็นแบบนี้วิปสัสนาเกิดขึ้นคือเห็นอาการของกายของใจมันเป็นอาการของมันเองไม่ใช่อาการของเราเราเห็นจิต มันจะปรุงนีไม่ดีเนะีเรื่องของมันก็เห็นอ ม, มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ว่าพู้เป็นอนัตตานะแต่เห็นในสภาวะที่เป็นแบบนัตจริงเนะี่ยมันจะสบายนะใจจะเป็นผู้ดูจริงๆวิธีปฏิบัติตอนนี้นะหลวงพ่อเขียนจะเน้นหลวงพ่อเขียนก็จะ เ, เน้น เ, เรื่องสภาวะต้องเป็นผู้ดูผู้ดูนะไม่ใช่เป็นผู้เป็นอนะย่างที่คุณเมื่อกี้ คือถ้าเราถ้าเราเป็นผู้เป็นก็คือเราคิดดีเราคิดไม่ดีเราสุขเราทุกนะแต่ถ้าเราเป็นผู้ดูจะเห็นว่านี่คืออาการที่เกิดขึ้นกับกายอาการที่เกิดขึ้นกับใจดูเป็นอาการเฉยๆเราจะเข้าใจว่าที่จริงอาการต่างๆมันวนแต่แสดงตามภาวะเหมือนกันเลยคือเกิดขึ้นมาแล้วกดับไป เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอาการต่างๆเป็นแบบนี้ไม่ต่างกันถ้าเราเห็นว่าอาการต่างๆมันเปนเนี่ยมันถ้าเราเห็นเกิดกับมันจะผ่านไปเร็วมากแต่ถ้าเมื่อไรที่หลงเนี่ยมันเหมือนเราไปเราเปจับที่จริงอาการต่างๆคล้ายใบไม้ไปดูมันร่วงลงมาน่ะวนๆๆแล้วก็ตกแต่ เราไปจับมันไปถือมันไว้ถือมันไว้เปยึดมันไวมันก็เราองเลยไปปรุงแต่งเป็นนั่งเป็นนี่มันก็เลยเป็นพุกข์มากขึ้นเรื่อยๆเที่จริงความพุกข์จริงนะคือเราไปยึดไปถือถือเฉยๆนิดนึงตัแรกๆมันอาจจะยังไม่ชุกมากแต่พอไปปรุงแต่งมากเนี่ยมันจะเริ่มเป็นทุกขทุกมากขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหม เรื่องดาวที่เราเป็นทุกข์มากก็คือเรื่องแบบที่เราเป็นยึดมันมากแล้วก็ไปกลมกับมันมากไปอยู่กับมันมากๆเนี่ยมันเป็นทุกข์มากเลยไอทุกข์ที่มันจึดขึ้นมานี่นึงเนี่ยมันก็มีนะแต่ถ้าเราไม่ไปคิดต่อมันก็จะจบไปเรื่อยๆนะเนี่ยเราปฏิบัติที่เห็นเลยนะดูดูชินเฉยดูซื่อๆอย่างที่มาพูดว่าให้ทำตัวเหมือนเด็กนี่แหละไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรมาก แแรกๆนะมั น, นอยู่กับหลวงพ่อคอมเขียนเนี่ยคือก็ค้างในใจก็นางทีเราเรียนมาแล้วเราคุ้นชินกับการใช้เหตุผลใช้ความคิดมีถูกผิดนะแต่จะมีชุดคําพูดของหลวงพาอเขียนที่ท่านไปพูดบ่อยแล้วเราก็ไม่เข้าใจชุด น, นี้แหละท่านบอกว่ารู้สึกตัวเนี่ยไม่ต้องเอาเหตุเอาผลไม่ต้องเอาบูคเอาคิดไม่ต้องเออดีดี ซขั้นพูดแบบนีน้มันต่างจากการการที่เราอยู่กับธรรมโลกซึ่งเราเรียนวิยาศาสตร์เขาก็อธิบายเป็นแบบเชิงเหตุผลอคือมันมีเหตุผลหรือแม้แต่เราในวิทยาศาสตร์ของคนก็ยอมรับการใช้เหตุผลนะ่ะไม่ต้องเอาเหตุเอาผลไม่ต้องเอาผูกเอาผิดไม่ต้องเอาดีเอาไม่ดีท่านมันจะไม่เข้าใจตรงนี้มาก ก็จะรู้สึกว่าทำไมพ่อพูดกันนี้แต่ก็ไม่ได้ไปเถีย ง, งพ่ออะไรนะก็แค่สงสัยไ่ในใจแต่ถ้าใครยังมีอะไรสงสัยในใจก็ไม่เป็นไรยนยม น, นะอยากให้ลองปฏิบัติดูปฏิบัติดูแล้วเราจะเกิดคำตอบในตัวของเราเองอย่างที่เราสอนวนะ่าปัจจตังเวทิตโภวิญญูติคือ เราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองธรรมะจริงคือแบบนั้นนะถ้าใครเรียนธรรมะแบบประเภทว่าชอบเที่ยวไปถามครูบาอาจารย์นะไม่มีทางเรียนธรรมะจริงๆนะถามอัจารม า, ม า, มาอาจารอาจจะมีคําตอบในสไตล์อาจารม า, มาถามชาจาตุ้มถ้าอาจจะตอบแบบสไตล์อาจ ต, ตุ้มไปถามในหลายๆที่ถ้าอาจจะมีคําตอบทนะี่นั้นอย่าไปเชื่อใครลนะ เอบางทีก็ไม่ใช่บอกว่าใครถูกผิดดีกันนะแต่บางทีมันที่จริงมันไม่มเหมือนอาหารในโยม น, นะอาหารอะไรดีที่สุดตอบได้ไหมอาหารอะไรอร่อยที่สุดมันแต่ละคนก็มีคำตอบไม่เหมือนกันนะหรือแต่ละขณะแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันใช่ไห ม, น, มนั้นธรรมะจริงๆเนี่ยถ้า เราได้คำตอบด้วยคำตอบของครูวายจานะมันก็ยังไม่ใช่ตำหนักของเราเราต้องปฏิบัติจนทั้งเราเห็นด้วยตัวของเราเองเราเข้าใจด้วยตัวของเราเองเรารู้ด้วยตัวของเราเองเราถึงจะถึงธรรมจริงๆนะเนี่ยนั้นสิ่งที่เรามาเน้นจริงๆนะไม่ใช่ว่าเน้นมาฟังมาถามการฟังการถามเป็นแค่ส่วนประกอบนะ เป็นตัวประอแต่ส่วนที่สําคัญคือการปฏิบัติเนาะปฏิบัตินะครับเราก็จะได้อากันปฏิบัติคนรุ่นเก่าก็จะได้ปฏิบัติต่อยอดของเราต่อเนาะทําทุกวันทำไม่ไหวแล้วก็รู้ทุกที่ดูทุกอมพิไม่ต้องตรไปะดูตรงๆเลื่อนไปต้องตื่นไม่ต้อง ทำไมต้องเคลื่อนไหวทำไมต้อยกอมือทำไมต้องท่านั้นท่านี้เคลื่อนไหวหรืู้สึกวางลงรู้สึกรู้สึกรู้สึกตัวเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเป็นผู้ดูมันเรื่อยๆนะถ้าเราจะได้คําตอบด้วยตัวของเราเองถ้าเราจะเข้าใจคําว่ารู้สึกตัวจริงๆเ่ทําไมมันไม่มีคำว่าทําไม มันเราจะเข้าใจสภาวะตรงนี้นะนะก็ก็ก่าไปนะในชาวนนี้นะ